พระบัญญัติ917ก็ภิกษุณีใดให้สำนักจีวรแก่ชาวบ้านแก่ปริพาชกหรือปริพาชิกาต้องอบัติปาจิตตีเรื่องภิกษุณีทุลนันธา